ขอนอบน้อม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 จากที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้บันประชาอุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช2529แล้วคณะสิทธิ์ก็ได้ดําเนินกิจกรรมดําเนินรายการธรรมสูุสันติโดยมีพระเดชพระคุณท่านเป็นวิทยากรประจํารายการของเราเราจะได้ยินได้ฟังเสียงของหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณเป็นประจําท่านใดที่ติดตามรับฟังเป็นประจําก็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 เบนจะศีลเบนจะทมจากหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณโดยพร้อมกันณบัดนี้หลวงตานะไม่ใช่หลวงป่านะเพราะว่าพวกเรานี่คงไม่ใช่รุ่นลูกกับรุ่นหลานรุ่นหลานนะเพราะฉะนั้นก็หลวงตาไม่ได้มาสัหลายวันก็เพราะว่า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 ทราบซึ้งเป็นเป็นอะไรเป็นพระรัตนตรัยด้วยตัวเราเองและทราบซึ้งในคุณของพระรัตนตรยัยแล้วจะเห็นว่าธรรมปฏิบัตินี้มีผลดีแก่ผู้ปฏิบัติเป็นอย่างมากและเมื่อมีผลดีแก่ผู้ปฏิบัติ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 ยิ่งมีผู้ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้านี่เท่าไหรยิ่งจะช่วยให้แต่ละบุคคลมีสติคำว่าสติเนี่ยคือความรู้สึกตัวมีความคิดรอบครอบด้วยปัญญาที่รู้ว่าทางนี้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 พูดอย่างง่ายๆก็เห็นตามที่เป็นจริงได้คนนั้นก็จเจริญแต่ละบุคคล น, นี่จเจริญเพราะว่ามันไม่ไปในทางผิดจเจริญอย่างเดียวไม่พอมีความสันติสุขด้วยไอ้ที่มันไม่สันติสุขคือมีสุขทางโภคกิทรัพย์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 ก่อนคิดพูดทำหรือขณะคิดพูดทำหรือแม่เมื่อคิดพูดทำไปแล้วดีชั่วไม่รู้ดีน่พอรู้ชั่วก็พอรู้แต่ตะแบงทำดือรร้อทำอย่างนี้แล้วก็ตัวเองก็เดือดร้อนคนอื่นอยู่ใกล้คิดกันก็เดือดร้อนในครอบครัวต่อให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ขาดสันติ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 เราก็เปิดสอนเปิดอบรมที่นี่แล้วก็ยังอาราธนาแจ้งข่าวแก่พระภิกษุสามเณรทั่วประเทศให้เข้ามา ร, รับการอบรมมาปฏิบัติเพื่อความสันติสุขของท่านตามควรแก่อั ต, ตภาพตามควรแก่ฐานะสันติสุข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 นั่นไปทางด่านที่เบตจีนญี่ปุน่นเกาหลีเป็นต้นนี่เป็นพวกมหายานพวกนี้เพ่งเลงที่การบำเพ็ญบารมีเพื่อช่วยรื้อสัตว์ขนสัตว์ก็คือบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์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 เอาแต่ใจไม่รู้บาปบุญคุณโทษก็บบนั้นหลงไปสารพัดอย่างฉั้นเลวก็หลงมาน่นแหละยาเสพติดหรือการเที่ยวเตรการสนุกสนานลืมตัวลืม ต, มตนแบบชาวต่างประเทศเพราะชาวต่างประเทศเนี่ยให้เธอเข้าใจอย่างหนึ่งว่าอะไรที่ทำให้เขาสนุกได้ละเอาเลยอันนั้นจะดีจะชั่วไม่รู้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 ความประพฤติปฏิบัติก็ต่ำสามไอพันนั่นแล้วคนไทยเรารับไปอื้อซ่าเลยเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นแล้วก็รับเยอะอย่างนี้รับอย่างนี้ไปแล้วต่อไปถ้าติดนิดสัยอย่างนั้นแล้วก็เป็นคนที่มีความโลภมีตัณหามีราคะ ความทยานอยากสูงเกินขอบเขตไอ้ความที่เป็นอย่างนั้นมีโทษยังไงก็มีโทษว่าความตะเกีกตะกายเพื่อจะให้ได้มาสิ่งซึ่งเราต้องการให้มันสบอารมณ์อย่างดีต้องออกกําลังมากต้องใช้เล่กเทเพทุบายให้มันได้มาให้มากๆ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 ความสามารถและคุณธรรมแล้วย่อมจะพัฒนาสังคมประเทศชาติของเราให้ดําเนินไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและที่สําคัญก็คือนําไปสู่ความสันติสุขคือความสุขแบบสันติความสงบเย็นด้วยศีลด้วยธรรมนี้เป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับที่จะพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมโดยเอาหลักธรรม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 ติดตามรับฟังธรรมะบัญญาตรงนี้ในโอกาสต่อไปขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมและความสุขความเจริญจงมันเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร